เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจบรู้ได้คอยตามเลยลเห็นด้วยจริงๆกับพระธรรมคำสอนเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าพระหันทะสาวกจริงๆโลกมันหาความสุขไม่ได้ความสุขที่แท้จริงมันหาไม่ได้จริงๆในโลกเนี่ยเพราะนั้นจะทำยังไงเงละ่ะท่านก็หาท่านก็แนะนำวินะแน ว, วทางออกจะรู้ได้รู้จริงเห็นจริงได้อย่างไร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 ที่มันเป็นอิสระที่เป็นไม่ขึ้นกับใครมันมีอยู่นะในโลกวิชาความรู้ก็เหมือนกันมันได้ขึ้นอยู่กับใครใครไฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ก็รู้ได้ในโลกเงินคำทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันใครมีปัญญาใครมีสติมีปัญญามีความหมัน่นควายันใครหายถูกถู ก, ถกช่องถูกทาง แล้วก็พร้อมกันกับเป็นผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีในอดีตชาติอีกเกือ้อกูลหนุนกันนี่แหละมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะในโลกเนะี่ยโลกในโลกหาได้นะอหาดีหาชั่วได้นะโลกหลานนะหาสิ่งที่มันไม่ดีใส่ตัวก็ได้เอหาดีใส่ตัวเองก็ได้หาบุญใส่ตัวเองก็ได้หาบาปใส่ตัวเองก็ได้อหาความยกย่องเชิดชูบูชาก็ได้หานรกหา หาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้มันโลกมันหลกหาได้เพราะนั้นเราพวกเราเอามาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะหาคุณงามความดีหาบุญกุศลหาสิ่งที่มันดีรู้ไมด่ดีคิดดีทำดีพูดดีใส่ตัวเองนั่นแหละเลิศประเสริฐนะถ้าหาสิ่งที่มันชั่วใส่ตัวเองนั่นมีแต่ความหา ย, ยานะมีแต่ความจิบหายนะ